72 72ต้องมติหนูเอต้องมติดิฉันต้องส่งจดหมายฉันต้องส่ง b r e v e ย ที่ฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมแยัยมอเบทัลล์โฮเทลคุณต้องตื่นแต่เช้ายัยมาสตอปทิเล่คุณต้องทำงานมากยัยมอยบเบมืเอคุณต้องตรงเวลายัยมอคอมเมอิตีเด เขาต้องเติมน้ำมันเซิเขาต้องซ่อมรถเบเขาต้องล้างรถเบเธอต้องซื้อของมเเธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ เธอต้องสาตองักเสื้อผ้าเธอต้องซักเสื้อผ้าเธอต้องซัก t สืเธงเาเธต้องซ้าเตองเาเต้องซส้อผ้าเธอ s ้องซักสืาเงเสื้าต้องเาต้องาเอเดี๋ยวนี้เาต้องาอเ้ พวกคุณต้องรอรถเมล์เด e รมต้องเว้นแต่บ s บัสพวกคุณต้องรอรถไฟ d e เ e มต้อ e เว้นแต่บนท e วพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ de มต้องต่ dro